การแผ่เมตตาจนจิตเป็นสมาธิเป็นหลักประกันให้ไม่หลงตายหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายตอนคุณอ่อนเพลียควบคุมสติไม่ได้หลงหลับแบบดับเครื่องสนิทปุรับหลายครั้งอาจเข้าผวังไม่รู้เรื่องแต่บางครั้งอาจรู้สึกครื่นๆกลางๆเห็นมีนิมิตฝันต่างๆนานาผุดพราย เป็นฝันร้ายวกวนเหมือนหลงเข้าป่าหรืออาจเป็นฝันร้ายหลอกหลอนเราเจอพูดผีอันนั้นเป็นภาวะที่ใกล้เคียงที่สุดที่จะประมาณได้ว่าภาวะหลงตายเป็นอย่างไรแม้มีรายละเอียดข้อแตกต่างจากของจริงทางจิตแต่ภาวะการทํางานของสมองก็ยุ่งเหยิงพันตูเละเทอะเละเลือนคล้ายกันมากถ้าเคยเกิดประสบการณ์หลงหลับฝันร้าย กวบคุมไม่ได้คุณคงพอเข้าใจว่าตอนตายจะให้มาตั้งสตินึกถึงพระอรหันต์ที่เคารพจะให้มาตั้งสตินึกถึงคุณงามความดีที่ผ่านมาหรือจะให้มาตั้งสติฟังเทศฟังธรรมก่อนหมดสติเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยแค่นึกถึงอะไรดีๆเพียงแวบเดียวสติก็เจือจางเลือนรางไปเป็นอื่นเหมือนคลื่นน้ำวนวน กลกลืนเรือน้อยจนมิดในพริบตาพระพุทธเจ้าตรัสถึงหลักประกันที่จะช่วยให้คนทั่วไปไม่ต้องหลงตายคือแผ่เมตตากระทั่งจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิหลุดพ้นจากค้อแห่งความพยาบาทมาก ร, ร้ายเสียได้เราสามารถมั่นใจในพุทธพยากรณ์ข้อนี้ตั้งแต่ยังมีชีวิตยังหลับๆับตื่นๆอยู่นี่เอง เราเมื่อแผ่เมตตากระทั่งเกิดสมาธิได้ก็จะมีอนิสงส์อันเป็นที่รู้ชัดอยู่ในปัจจุบันได้แก่หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายรู้สึกปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงและที่สำคัญจิตที่แผ่ภพยกว้างขวางย่อมเป็นสมาธิได้เร็วในทุกสถานการณ์เมื่อหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขเข้าสมาธิง่ายคุณย่อมรู้สึกว่า ตัวเองห่างไกลจากอาการหลงหลับฝันร้ายซึ่งก็จะเกิดสัญชตาตญาณตามมารู้ด้วยตนเองว่า <c oughs> เมื่อถึงจิตสุดท้ายที่จะดับจากความเป็นมนุษย์ <c oughs> ก็จะเกิดความสุขหรือความโน้มเอียงไปในทางตั้งมั่นเป็นกุศลเที่ยงที่จะไม่เข้าสู่ภพร้ายไม่เกิดร่างร้ายเมารับช่วงต่อจากร่างมนุษย์นี้อย่างแน่นอนการฝึกเมตตาเบื้องต้น แค่ปิดตาโสดมนหรือนั่งสมาธิในแบบที่จะทำให้กายเบาใจเบาเมื่อเบาแล้วทอดสายตามองตรงเหมือนตอนทอดมองขอบฟ้าเบื้องไกลด้วยอารมณ์ผ่อนพักและจะรู้สึกถึงรัศมีเมตตาที่ฉายออกไปทางทิศเบื้องหน้าได้เองครั้งแรกๆที่ฝึกอาจสุขแค่กระพริบกระปรอยแต่ครั้งต่อมารู้สึกถึงความสามารถคงค้างเดนานขึ้น กระทั่งชำนาญขึ้นก็เกิดการรวมกระแสะเมตตาเป็นหนึ่งนิ่งวางจากใจกลางและแผ่ภายรัศมีออกไปกว้างไกลไม่มีประมาณและคุณจะทราบแบบประจักษ์ด้วยตนเองว่าพระพุทธเจ้าจรัสไว้ถูกแน่ๆอีกเรื่องหนึ่งแล้วอา น, นิสงส์งของการแผ่เมตตากระทั่งเกิดการรวมลงเป็นสมาธิคือหลักประกันให้คุณไม่ต้องลงตายได้จริงๆ